ทัพย์ที่อยู่ในเรือ99ที่ชื่อว่าเรือได้แก่พาหนะสําหรับใช้ข้ามน้ําที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในเรือได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในเรือภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในเรือหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัตทุกกฎจับต้องต้องอบัตทุกกฎทําให้ไหวต้องอบัตทุละใจ ทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัติปาราชิกภิกษุมีทายจิตคิดจะลักเรือหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัติทุกกฎจับต้องต้องอบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัติทุลใจแก้เครื่องผูกต้องอบัติทุกกฏแก้เครื่องผูกแล้วจับต้องต้องอบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัติทุลใจทาให้เรือลอยทวนน้าลอยตามน้า หรือลอยไปขวางลำน้ำให้เคลื่อนไปแม้เพียงปลายผมต้องบัดปาราชิก